ดีมีสุข คนเรามักไม่ค่อยนึกถึงความตายของตนเท่าใดนักแต่เมื่อใดที่นึกถึงก็อยากให้ตัวเองตายดีซึ่งส่วนใหญ่หมายถึงตายโดยไม่เจ็บปวดไม่ทุรนทุรายไม่น่าเกลียดไม่มีใครมาทำให้ตายหรือตายเพราะอุบัติเหตุความตายที่พึงปรารถนายังรวมถึงความตายท่ามกลางคนรัก ญาติมิตรที่อยู่พร้อมหน้าไม่จากไปอย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยและไม่สร้างความเดือดร้อนแก่คนที่ยังอยู่กล่าวอีกในหนึ่งคือตายในสภาวะทางกายและทางสังคมที่เกื้อกูล อย่างไรก็ตามยังมีองค์ประกอบอีกประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนั่นคือองค์ประกอบหรือสภาวะทางจิตวิญญาณได้แก่สภาวะจิตที่สงบโปร่งเบาเพราะได้ปล่อยวางทุกสิ่งไม่มีอะไรเป็นภาระให้ต้องห่วงกังวลน้อมรับทุกอย่างในวาระสุดท้ายโดยไม่ปฏิเสธผลใส ไม่หวาดกลัวต่อความตายนอกจากเห็นความตายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วยังรู้จักใช้ความตายให้เกิดประโยชน์ในทางจิตวิญญาณด้วยองค์ประกอบหรือเงื่อนไขประการหลังนี้ถือว่าสำคัญที่สุด การตายแบบไม่รู้ตัวเช่นตายในขณะหลับหรือหมดสติและตายไปอย่างกระทันหันแม้จะเป็นการตายที่ไม่เจ็บปวดหรือทอรมานแต่จะเรียกว่าตายดีไม่ได้หากวาระสุดท้ายของผู้ตายอยู่ในอารมณ์ที่หม่นหมองเนื่องจากกําลังฝันร้ายหรือครุ่นคิดในเรื่องที่เป็นอกุศลเช่นโทสะพยาบาท หรือเศร้าโศกในทำนองเดียวกันแม้จะอยู่ท่ามกลางญาติมิตรแต่หากตายไปในขณะที่ยังห่วงกังวลลูกหลานวิตกกับภาระที่ยังไม่แล้วเสร็จหรือมีเรื่องค้างคาใจกับใครบางคนอยู่ก็ยังไม่เรียกว่าผู้นั้นตายดีเพราะเป็นการตายที่ยังมีความทุกข์อยู่และหากเชื่อในเรื่องภพภูมิหลังตาย การตายในสภาวะจิตเช่นนั้นย่อมมีทุคติเป็นเบื้องหน้าจะนามเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความดีหรือความชั่วที่ได้กระทำไว้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในทางตรงข้าม แม้จะเผชิญกับความเจ็บปวดที่แผดเผาทิ่มแทงกายห่างไกลจากคนรักโดดเดี่ยวไร้ญาติมิตรแต่หากสามารถประคองจิตให้เป็นปกติมีสติรู้ตัวหรืออยู่ในภาวะที่เป็นกุศลจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตไม่มีอะไรเป็นภาระในจิตใจเพราะปล่อยวางไปหมดทุกสิ่ง การตายเช่นนั้นย่อมจัดว่าเป็นการตายดีเพราะนอกจากจะจากไปโดยไม่ทุกข์ใจแล้วยังจะนำไปสู่สุขติอีกด้วยมีคนจำนวนไม่น้อยที่แม้จะถูกโรคร้ายกัดกินร่างกายเช่นมะเร็ง หรือเอดแต่ก็สามารถรักษาใจให้เป็นปกติได้ความเจ็บปวดทำร้ายได้แค่ร่างกายแต่ไม่สามารถย่ำยีจิตใจได้บางคนใช้สมาธิภาวนาระ ง, งับความเจ็บปวดโดยไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดแต่อย่างใดและในที่สุดก็จากไปอย่างสงบ ในสมัยพุทธกาลมีกรณีที่ร้ายแรงยิ่งกว่านั้นแต่ก็เป็นตัวอย่างที่ชี้ว่าตายดีนั้นไม่จําเป็นต้องหมายถึงการตายที่ไร้ความเจ็บปวดพระนางสา ม, มาวดีเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนพระนางเป็นผู้ที่ศรัทธาในคาสอนของพระพุทธเจ้าและประพฤติตนอยู่ในกุศลธรรมมาโดยตลอด แต่เป็นที่อิจฉาของพระนางมาคันธียาซึ่งเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทนฝ่ายหลังนั้นได้หาทางกลั่นแกล้งพระนางสามาวดีหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จครั้งสุดท้ายได้ลวงให้พระนางสามาวดีและหญิงบริวารเข้าไปในเรือนคลังแล้วขังไว้จากนั้นได้จุดไฟเผาทั้งปราสาท พระนางสามาวดีเมื่อรู้ว่าวาระสุดท้ายมาถึงแล้วแทนที่จะตื่นตกใจกลับแนะให้บริวารกำหนดจิตทำรรสมาธิภาวนาโดยถือเวทนาเป็นอารมณ์บริวารทั้งหมดได้ทำตามคำแนะนำจนตายคากองไฟต่อมาเมื่อมีภิกษุนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสว่า อุบาสิกาเหล่านั้นได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันก็มีเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีจากนั้นพระองค์ได้สรุปว่าอุบาสิกาเหล่านั้นทากาละคือตายอย่างไม่ไรผล น่าแปลกที่ว่าในยุคปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยเทคโนโลยียืดชีวิตอายุนั้นการตายอย่างสงบกลับกลายเป็นเรื่องยากแม้แต่อาจารย์กรรมฐานหรือเกจิอาจารย์ชื่อดังก็เลี่ยงปัญหานี้ได้ยากส่วนใหญ่ต้องสิ้นลมในห้องไอซโดยมีสายระโยงระยางทั่วร่างกายทั้งนี้เพราะลูกศิษย์ลูกหา พยายามหาทางหน่วงเหนี่ยวชีวิตของท่านให้อยู่นานที่สุดโดยหารู้ไม่ว่านั่นเป็นการหน่วงเหนียวการตายให้เป็นไปอย่างยืดเยื้อซึ่งไม่เป็นคุณแก่ใครเลยผลก็คือความตายของครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่สามารถสอนผู้คนให้รู้จักพร้อมรับความตายด้วยใจสงบดุดเดียวกับใบไม้ ที่พร้อมจะหลุดจักขั้วเมื่อถึงเวลาการตาอย่างสงบนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีโอกาสเข้าถึงไม่เว้นแม้กระทั่งคารวาสหรือคนธรรมดาสามัญ สภาพแวดล้อมมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราตายอย่างสงบได้แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือการฝึกฝนพัฒนาตนไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาใกล้ตายเท่านั้นหากต้องทำไปทั้งชีวิตการดำเนินชีวิตอย่างถูกทำนองคลองธรรมและหมั่นสร้างความดีอยู่เสมอเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราเผชิญความตายได้อย่างสงบ อานิสงส์ประการหนึ่งของกายวาจาและใจที่สุจริตก็คือช่วยให้ไม่หลงตายหรือลืมสติเวลาตายปัจจัยสำคัญประการต่อมาก็คือการฝึกฝนอบรมจิตด้วยสมาธิภาวนาเพื่อประคองจิตให้มีสติอย่างต่อเนื่องพร้อมเผชิญกับทุกขเวทนาและอาการต่างๆ ที่มากระทบอย่างรู้เท่าทันแม้ทุกขเวทนาทางกายตลอดจนความพลัดพรากจากของรักเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกพ้นแต่เราสามารถรักษาจิตไม่ให้ทุกขเวทนาและความเศร้าโศกมาครอบงำได้ จะว่าไปแล้วชีวิตทั้งชีวิตมีขึ้นก็เพื่อเปิดโอกาสให้เราฝึกฝนตนเองจนพร้อมที่จะเผชิญกับความตายในวาระสุดท้ายนั่นเองหลวงปู่ดูลัตตุโลเป็นสิทธิ์รุ่นแรกๆของหลวงปู่มั่นภูริพัตโตมีคราวหนึ่งท่านไปเยี่ยมพระรูปหนึ่งซึ่งอาพาธหนักใกล้จะมรณภาพเมื่อท่านมาถึงพระรูปนั้น ก็ลุกกราบท่านแล้วก็ล้มตัวนอนตามเดิมไม่ได้พูดอะไรส่วนหลุนปูดูนยิ้มรับจากนั้นท่านก็พูดว่าการปฏิบัติทั้งหลายที่เราพยายามปฏิบัติมาก็เพื่อจะใช้ในเวลานี้เท่านั้นเมื่อถึงเวลาที่จะตายให้ทำจิตเป็นหนึ่งแล้วหยุดเพ่ง ปล่อยวางทั้งหมดนี้ไม่ใช่คำแนะนำสำหรับภิกษุเท่านั้นหากยังเหมาะสำหรับคนทั่วไปด้วย